กุติขององค์หลวงตาถือว่าช่วงนั้นยังว่างอยู่ก็ได้เข้าไปกะเข้าไปเยี่ยมเยี่ยมคุณแม่จันดีแล้วก็ได้ถวายปัใจจัยให้ดูแลช่วยเพื่อมีภาระที่จะต้องดูแลค่าใช้จ่า ย, ายมีอะไรไหม่ลงพ่อไปแต่ละครั้งอะไรมอบปัใจจัยให้คุณแม่ บ่อยครั้งแต่ครั้งนี้ก็เลยเหมือนกันก็นได้มอบปัจจัยจะตุปัจจัยให้ท่านเผื่อได้ใช้แต่หลวงพ่อดูแลหลวงพ่ อ, อคุณแม่คงจะอยู่กับลูกหลานไม่ได้นานต่ะละมั่งเนี่ยหลวงพ่อคิดในใจก็มีแต่บอกกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดบอกว่าเออช่วยๆกันดูแลเนอะดูแลคุณแม่เนอะ ดูแลใดีที่สดุดคําว่าที่สุดเท่าไหร่ก็ที่สุดเท่านั้นแหละสุดความสามารถของลูกหลานช่วยๆกันดูเนี่ยคุณแม่ถ้าดูลักษณะนี้คงจะไม่ได้ร่วมสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ขององหลวงตาจระม่างพ่อกระปูดพ่อกรนั่งกับลูกกับหลานของคุณแม่นานพอสมควรอยู่ก็เลยเออเดี๋ยว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 จากนั้นหลวงพ่อก็ได้เข้าไปกราบกุฏิขององค์หลวงตาแต่หลวงพ่อก็คิดในใจเหมือนกันถ้าอาการถึงขนาดนี้คงจะอยู่กับลูกหลานไม่ได้นานมากคุณแม่นะคิดในใจอยู่แต่จะทำยังไงได้อายุมากแล้วแปดสิบกว่าปีคุณแม่นะคุณแม่จนเดียอายุแปดสิบกว่าปีแต่หลวงพ่อก็จำไม่ชัดแ3ดิบามและแปดสิบห้า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 เป็นโยมก็จริงอยู่แต่เป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้ที่รอบรู้รอบคอบอย่างมากๆที่หลวงพ่ออยู่ที่นั่นหลวงพ่อก็มองดูว่าทันหลวงตานะพูดง่ายๆพี่น้องทุกคนคุณแม่จันดีเนี่ยนะทันหลวงตานะหลวงตาเนะี่ยเป็นอัจฉริยะสติปัญญาของท่านเฉียบแหลงม แปลว่ากิ่งกลมเลยละ่ะปัญญาของหลวงตานี่ยหาใครจะเสมอเหมือนได้ยากแต่คุณแม่จันดนีมีน้องสาวคนเดียวเท่านั้นะ่ะตามทันตามหลวงหลวงพี่ทันทันตามหลวงตาทันหลวงตาพูดอะไรมีจุดประสงค์อะไรอยากจะให้ทำอะไรโดยมากคุณแม่จันดีจะปฏิบัติ ถกต้องโดยมากหลวงตาจะสั่งอะไรทั้งก็สั่งแม่จันดีคุณแม่จันดีเพราะว่าอรอบคอบไม่ขาดตกปกพ่องในเมื่อหลวงตาได้สั่งออกไปแล้วแต่ว่าเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจองค์หลวงตาในระดับหนึ่งพูดง่ายๆบัดนี้หลวงตาก็ได้จากคุณแม่ก็ได้จากไปแล้วเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อโคงจ ะ, ะได้ออกไป รถน้ำศพสิบเอดนาฬิกาแต่หลวงพ่อไม่ได้ถือหรอกรถไม่รถก็ไม่เป็นไรไปร่วมงานแล้วก็ได้เห็นหน้าเห็นตาหรือไปร่วมงานต่นนั้นละถึงยังไงท่านก็ไม่ฟื้นล่ะคุณธรรมของท่านในจิตใจของท่านได้เท่าไหร่ท่านก็ได้เท่านั้นะเรามีแต่ว่าไปแสดงความกระตันยูกระตกเวทตาที่หลวงพ่อได้อยู่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 เมื่อพระสงฆ์เข้าม า, าทำพิธีคงจะมีการถวายผ้าถวายจจตุปัจัยที่จะใช้ในงานเพว่าเมื่อเหลืองานไปแล้วท่านจะร่วมสมทบเพื่อสร้างเจดีย์ของวงหลวงตากสุทแทแต่คณะกรรมการลูกหลานของท่านจะพิจารณาเพราะว่าคุณแม่ท่านก็จะช่วยเหลือ วัดวาศาสานาครูบาอาจารย์โดยสม่ำเสมอมาตลอดนี่แหละสรุปแล้วก็คือทุกชีวิตไม่มีใครที่จะผ่านพ้นไปได้ช้าหรือเร็วายาวหรือสั้นเท่านั้นเองคำว่ายาวคืออายุยืนสั้นก็คืออายุพอเกิดมาแล้วก็ไม่เท่าไหร่ก็ล้มหายตายจาก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 ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารนี่จะเป็นยาวหรือสัน้นเรามีคุณงามความดีพร้อมหรือยังถ้ามีอายุยืนยาวเกิดมาตั้งแต่อายุเป็นร้อยปีแต่มิตธธรรมแต่กรรมชั่วเกิดมาแล้วกันนะข้าสัตว์ตัดชีวิตหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอจะคดจะป่นจะจี้จะคดจะโกงจะเบียดจะบังข้าพันลันแทง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 ท่านสรุปแล้วก็คือคนอายุยืนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวไม่ใช่นะพวกเราต้องคิดดูสิว่าถ้ายืนทำแต่กรรมชั่วดีไหมถ้ายืนยืนทาแต่กรรมดีดีไหมฮ้มันต้องทุกจุดนี้อีกต่างหากถ้าว่าอายุยืนทำแต่กรรมชั่นแย่บุญบาปอกุศลมากมายมหาศาลใช้กี่พบ ก, กี่ชาติก็ไม่หมดเพราะอายุยืน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 ปอชีวิตเออระเหยลอยลมแปดเป็นแต่ละวันละวันโดยมากถ้าว่าเราปล่อยจิตใจยอย่างนั้นมันไม่ใช่จะไปในทางดีนะมันจะไปทางเาเลวซะมากกว่าเพราะเหตุไรเพราะใจของเราชอบไหลไปในทางต่ําโดยมากเป็นแต่ความคิดไอติจฉาบัง้งพยาบาทบัง้งโมโหโกธาบัง้งความไม่พอใจน้อยใจบัง้งมันจะไปทางต่ําอยู่เสมอเพราะเหตุไรใจของเราเนี่ย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 อันนี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองนะเะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตทั้งชีวิตถึงจุดจบจะสั้นหรือจะยาวเท่านั้นเองทางว่ายาวก็ให้เกิดประโยชน์อย่ายาวที่ว่ามีแต่โทษไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราได้เกิดมาเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้า